ให้จิตใจมีความสงบอยู่ด้วยพระพุทธคุณบทนี้และเสริมสร้างสธาปสาทะให้เพิ่มพูนขึ้นภายในจิตใจตลอดถึงการน้อมนำเอาพระพุทธเจริยาข้นนี้มาเป็นแนวในการรพฤปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลดังที่ได้กล่าวมาแล้วคือเป็นการเข้าถึง พระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างแท้จริง ว, ว่าสุขโตที่แปลว่าเสด็จไปดีแล้วนั้นนัยหนึ่งยังหมายถึงการเสด็จดำเนินไปในข้อปฏิบัติที่จะให้พระองค์บรรลุ ค, ความดีข้อนี้จากหลักฐานที่ปรากฏ รู้แพร่หลายกันโดยทั่วไปว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าในสมัยที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่นั้นได้พยายามศึกษาปัญหาชีวิตในแง่มุมต่างๆตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาในสำนักของครูวิศวามิตรมาแล้วตลอดระยะเวลาที่ดำรงพระชน์อยู่ ไนครวาดสวิสัยมีเรื่องราวอันใดปรากฏเกิดขึ้นหากว่าไม่สามารถที่จะวินิจฉัยตัดสินได้ด้วยลำพังพระองค์ก็จะสอบถามบุคคลอื่นที่โดยเสด็จเนในคราวที่เห็นเทวทูตทั้งสี่คือคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะก็ได้รับสั่งสอบถามรายละเอียด จากนายชนะซึ่งโดยเสด็จพระองค์อยู่แต่ว่าเรื่องราวที่ได้สดับมาจากนายชนะนั้นทรงรอบรู้แตกฉานกว้างไกลกว่าที่นายชนะได้อธิบายถวายโดยทรงนำเรื่องราวเหล่านั้นมาพินย์พิจารณาเทียบเคียงกับพระองค์ บุคคลอื่นตลอดถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายจนสามารถหาข้อยุติได้ว่าทุกชีวิตที่วัดบังเกิดมานั้นจะต้องประสบกับความแก่ความเจ็บความตายตลอดไปแล้วเมื่อตายไปแล้วก็จะต้องเกิดแก่เจ็บตายอีกเป็นความหมุนวนที่หาที่สุดไม่ได้ ทำให้ได้แนวคิดว่าธรรมดาในโลกนี้มีของเป็นคู่กันมีร้อนก็มีเย็นแก่มีมืดก็มีสว่างแก่มีทุกข์ก็มีสุขแก่เพราะฉะนั้นเมื่อโลกมีความเกิดก็ต้องไม่มีความเกิดเข้าไปแก้ด้วยและเมื่อทรงพิจารณาเทียบเคียงหาวนทางอยู่ จนได้ปัจจัยต่างๆเข้ามาประสมเช่นว่าการประสูติของเจ้าชายราคนเป็นต้นได้ทรงรู้สึกถึงความผูกพันอย่างลึกซึ้งต่อสายเลือดแท่งต้นว่าถ้าหากพระองค์ไม่ตัดในตอนต้นก็จะถูกผูกมัดด้วยบ่วงทรัพย์บ่วงปัญญาและบ่วงบุตร จึงได้แต่สีมระไทยเสด็จออกสู่ภารินณีสกุลในขณะที่ทรงศึกษาอยู่ในสำนักครูบาจารย์ต่างๆนั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วหลักการที่ทรงศึกษาก็มีอยู่สองแนวแนวหนึ่งเป็นเรื่องของการแสวงหาความสุขตามที่เข้าใจกันแนวหนึ่งเป็นเรื่องของการโทรบาล ประเภทศีลและพรตซึ่งถือกันว่าครังศักดิ์สิทธิ์สามารถให้เกิดผลแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติได้พระองค์ได้ศึกษาตลอดทั้งสองแนวรู้แจ้งเห็นจริงด้วยพระองค์เองว่าไม่จะทางที่จะทำให้ตรัสรู้ได้และเมื่อได้อาศัยหลักการต่างๆที่ทรงประสบมา ก็จำแนกได้ว่าการปฏิบัติเกี่ยวข้องอยู่ด้วยกรรมคุณทั้งหลายนั้นเป็นการใช้ชีวิตแบบจ่อหย่อนผู้ปฏิบัติไม่พยายามทวนกระแสความคิดของตนขึ้นไปอยากได้รูปก็แสวงหารูปอยากฟังเสียงก็ไปฟังเสียงอยากดมกลิ่นก็แสวงหากลิ่นมาดม อยากลิ้มรถก็แสวงหารถมาลิมอยากจับต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งก็แสวงหาสิ่งที่ตนปรารถนาเหล่านั้นมาตอบสนองความต้องการของตนแนวความคิดที่จะประับสติในสามประจันทรให้เพิ่มพูนขึ้นจนช่วยให้ปิดกั้นกระแสของความคิดเหล่านั้นเอาไว้บ้างไม่ค่อยจะเกิดขึ้น ภายในจิตสำนึกของบุคคลทั่วๆไปดังนั้นจึงไม่ใช่ขนทางที่จะทำให้คนผู้ปฏิบัติได้สัรู้ได้อีกภาคหนึ่งคือการทรมานร่างกายให้ได้รับความลำบากด้วยประการต่างๆนั้นกายกับจิตมีความเกี่ยวเนื่องถึงกันร่างกายที่ถูกทรมานเข้า ย่อมประสบกับความเจ็บปวดรวดราวจิตก็รับรู้อารมณ์และสเสวยอารมณ์ดอกนั้นออกมาเป็นรูปของทุกขเวทนาด้วยประการต่างๆความสงบย่อมจะเกิดขึ้นไม่ได้ภายในจิตที่ประกอบด้วยทุกขเวทนาอย่างรุนแรงดังนั้นจึงทรงอาศัยหลักของพินสามสาย ซึ่งทรงมีความชำนิชำนาญอูเป็นอย่างดีว่าสายพินที่หย่อนไปดีข้าวก็ไม่ดังตึงไปดีดข้าวก็ขัดต้องพอดีพอดีจึงจะดีดได้เป็นเพลงฟังไพเราะสนอง ก, การบรรลุมรรคผลในพระพุทธศาสนาก็มีลักษณะอย่างนั้นคือจะต้องดำเนินไปในทางที่ไม่หย่อนเกินไปและไม่ตึงเกินไป นั่นก็คือหลักของมัชฌิมาปฏิปทาหรืออริยคหรืออริยมรรมิองค์แปประการซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็คือหลักของศีลสมาธิปัญญาที่ได้ศึกษาสดับสับฟังและน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติเกินอยู่ในปัจจุบันปับันนี้เส้นทางสายนี้เองที่ทำให้พระโพธิสัตว์ได้ดสัตรูเป็นพระพุทธเจ้า แล้วก็ชี้แจงทางทั้งแปดประการนี้ให้พุทธบริษัททั้งหลายได้ดำเนินไปบนเส้นทางสายเดียวกันนี้ผลคือความสะอาดความสงบความสว่างแห่งจิตใจที่พระพุมีเพระภาคเจ้าพระอริยสงฆ์ทั้งหลายตลอดถึงพระอริยบุคคลขวายคือหัน ได้สัมผัสมาแล้วในอดีตเป็นอย่างไรเมื่อใครดําเนินไปตามปฏิปทาสายนี้ก็จะได้สัมผัสผลตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติของบุคคลเรานั้นเช่นเดียวกันและศาสตร์ใดการปฏิบัติชอบในองค์อรรยมรรคทั้งแปประการที่มีอยู่ศาสตร์นั้นโลกของเราก็จะไม่ว่างจากพระริยาบุคคลระดับต่างๆ ตามนัยะแห่งพระพุทธวจนะที่ทรงแสดงไว้ก่อนจะเสด็จดับกันท่ิปริมพันฑ์ทำไมพระโพธิสัตว์จึงปฏิเสธและไม่ดำเนินไปบนเส้นทางที่ย่อนและบนเส้นทางที่ถึงในข้อนี้ได้รับสั่งชี้ให้ภิกษุปัญจปกีเข้าใจว่าทางทั้งสองประการนั้น เป็นทางที่บับปจิตคือนักบวชไม่ควรดำเนินไปเพราะอะไรเพราะว่าการสแสวงหาความสุขในด้านกามคุณคือสแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะที่ตนไข่ตนพอใจจิตใจก็จะเพลิดเพลินยินดีกำนัดรุ่มหลวงมัวเมาสยบติดอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นรอจิตใจให้เลื่อนไหลไปตามกระแสของอารมณ์ การกำหนดหมายว่ารูปสวยไม่ได้หยุดอยู่เพียงรูปใดรูปหนึ่งแต่จะกำหนดหมายอย่างนั้นเรื่อยไปบุคคลแม้เพียงพยายามตอบสนองความต้องการของตนได้แต่คำว่าอิ่มคำว่าเต็มด้วยการทั้งหลายนั้นไม่มีจิตใจของบุคคลจึงเป็นเหมือนตุ่มทะลุคำว่าอิ่มคำว่าล้นคำว่าเต็มเกิดขึ้นไม่ได้ จิตจะรู้สึกว่าพร่องอยู่ตลอดเวลาอย่างที่ท่านแสดงไว้ว่าโลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่เป็นธาตุของตันหาดังนี้จึงได้ทรงเชี่อเห็นว่ากามคุณคือรูปเสียงกลิ่นรสปุถะแต่แม่แต่ทำอารมณ์นั้นเป็นของต่ำคือสาธารณะทั่วไปแก่สัตว์ทางหลายสัตว์โลกทั้งหลายนั้น ประกอบด้วยสัญชาตญาณสี่ประการคือกามกินนอนและกลัวภัยอันตรา ย, ายเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาหน้าพอใจไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นผลตภัณพระจัย่อมมีแม้แก่สัตว์ดิบส า, ทารทั้งหลายและแก่มนุษย์ทั้งหลายประการที่สองเป็นเรื่องของชาวบ้าน ผู้ครอบครองเละเคยจะต้องมีครอบครัวเป็นหลักเป็นฐานแล้วก็เพิ่มพูนขยายออกไปเรื่อยๆสืบต่อขึ้นไปเป็นสกุลวมเป็นเรื่องของคนที่มีกิเลสอย่างหนาจุไม่สามารถจะทวนกระแสความคิดกระแสของกิเลสขึ้นไปได้สุดแต่ว่ากิเลสตัณหาเหล่านั้นจะกระซิบจะบอกกล่าวจะเชิญชวนให้กระทาอะไร กระทำไปตามแรงกระตุ้นของกิเลสเหล่านั้นการกระทำในลักษณะนี้จึงไม่ใช่เป็นอริยะคือเป็นการกระทำที่ประเสริฐและไม่สามารถที่จะช่วยคนผู้ประพฤติปฏิบัติให้เป็นพระอริยะคือผู้ประเสริฐได้ในแง่ของความจริงอย่างแท้จริงการมากุลทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสปุถุพะ แต่แม้จะทำอารมณ์ก็ตามเป็นของที่ไม่มีประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์สำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติขัดเกลา้าเพื่อมุ่งความสงบสะอาดด้านจิตใจดังกล่าวแล้วดังนั้นจึงทรงแสดงให้เห็นว่าบาปชิตไม่ควรเสพคือไม่ควรประพฤติไม่ควรดำเนินไปบนเส้นทางสายนั้น อันนี้ไม่ได้หมายความว่าพระพุทธศาสนาปฏิเสธว่ากามกคุณนั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่ว่าเป็นการแสดงในเชิงของการเปรียบเทียบวระมรรคผลในพานในพระพุทธศาสนานั้นมีคุณค่าสูงกว่าความสยบติดกวานไคว้คว้าแสวงหากามกคุณทั้งหลายเพื่อสนองตอบความต้องการของตน พระสิ่งเหล่านั้นแม้บุคคลจะมีเงินเป็นหมื่นล้านพันล้านแต่ก็รับประทานอาหารทีละคำสวมเสื้อผ้าได้ทีละชุดนอนบนที่พอเต็มหลังนั่งยืนก็ทำานองเดียวกันสมบัติพระ ส, สถานทั้งหลายที่บุคคลแสวงหาได้มาสร้างเพิ่มเติมขึ้นเป็นสมบัติของโลก ที่บุคคลจะต้องทอดทิ้งเอาไว้เมื่อร่างกายแตกตายไปพระพุ้มีพระภัก์เจ้าจึงทรงเชียเห็นว่าการมกุณทั้งหลายนั้นมีสุขน้อยแต่มีทุกข์มากไม่ว่าอะไรก็ตามเนเรื่องของรูปเมื่อบุคคลมีการกำหนดหมายว่ารูปนั้นสวยตึกนึกถึงรูปนั้น ความปรารถนาภายในจิตก็จะเพิ่มขึ้นในที่สุดบังคับจิตให้สายไปหารูปที่ตนใคร่ตนปรารถนาตนพอใจจะมีการขวนขวายกันด้วยวิธีต่างๆเพื่อให้ได้มาซึ่งรูปเหล่านั้นได้แล้วเมื่อได้มาแทนที่จะเกิดความสุขความสงบความจิงดี บุคคลอาจจะรู้สึกว่ามีความเพลิดเพลินยินดีในสิ่งเหล่านั้นแต่ภายใต้ความยินดีนั่นเองมีความรู้สึกห่วงใยกังวลกลัวอันตรายที่จะเกิดขึ้นแ ก, ก่รูปเรานั้นจึงต้องมีการป้องกันมีการราาักษามีการต่อสู้เพื่อรักษาสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ แต่อย่างเป็นทางมาแห่งเบญแห่งภัยด้วยกันเท่านั้นจึงทรงแสดงว่ามีสุขเหมือนกันแต่มีสุขน้อยเมื่อเทียบกับความสุขที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติไปตามองค์อะเรมักทั้ง8ประกันในด้านการท ร, ทรมานกายซึ่งเรียกว่าทุกขร์กริยาก็ทํานองเดียวกันทรงเชื่อเห็นว่าทุกข์โผเป็นทุกข คือทนได้ยากมีความแผดเผามีความร่าเร้อกขอให้เกิดความกระสรับกระส่ายขึ้นมาจากกายก่อนเมื่อกายกระสรับกระส่ายแล้วใจก็กระสรับกระส่ายตามไปเพราะมีความเกี่ยวเนื่องถึงกันดังกล่าวแล้วคนที่สามารถแยกกายออกจากจิตได้คือเมื่อกายกระสรับกระส่าย และจิตไม่กระสับกระและแต่จิตไม่กระสับกระสายกันน้อยคนที่จะมีได้ตามปกติแล้วจิตกับกายจะต้องอิงอาศัยกันจบ ด, ดังนั้นเมื่อนาร่างกายเข้าไปทรมานเป็นการทรมานต่อสังขารร่างกายใจก็อาศัยอยู่ในร่างกายนี้ความสงบจึงไม่อาจที่จะเกิดขึ้นแก่จิตใจ เมื่อเป็นเช่นนี้การกระทาในลักษณะนี้จึงถือว่าเป็นอนัติโยเหมือนกันคือไม่ประเสริฐเหมือนกันตัวการกระทาเองนั้นแทนที่จะเกิดผลเป็นความสงบระงับบันเทวกิเลสแต่กลับเป็นการพ ร, าร่าพรานเวลาให้สูญเสียไปโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเป็นการลงทุนที่สูญเปล่าเวลาแห่งชีวิต ซึ่งบุคคลควรจะใช้ไปให้เกิดสาระประโยชน์ก็กลับไม่ได้ใช้และในที่สุดก็ผ่านการเพียนผ่านเวลาเข้าจากชราก็ไปสู่มรณะในที่สุดดังนั้นผู้ใช้ชีวิตในลักษณะทรมานร่างกายตนให้ได้รับความลำบากจึงถือว่า เป็นการกระทำที่ไม่ประเสริฐและตัวเองก็ไม่ใช่เป็นคนประเสริฐอะไรและทรงชี้ข้อสุดท้ายเช่นเดียวกับกามาคุณว่าไม่เกิดประโยชน์คนเราจะทำอะไรก็ตามจุดมุ่งหมายสำคัญต้องให้เกิดประโยชน์เป็นการเกื้อกูลอำนวยความสุขให้แก่ตนเป็นเบื้องตน้นต่อแต่นั้นก็จะอำนวยประมสะด พื่งกูลแก่บุคคลอื่นเมื่อสิ่งใดไม่เป็นประโยชน์ผู้มีปัญญาพิจารณาโดยท่องแท้แล้วย่อมละเว้นไม่เกี่ยวข้องไม่ผูกพันกับเรื่องเดล่านั้นพระพุทธเจริยาข้อหนี้เป็นเครื่องชีให้เห็นได้ว่าเส้นทางที่จะก่อให้เกิดเป็นความสงบระงับดับพดเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า พระเรเจ้าทั้งหลายได้ดําเนินไปและสัมผัสผลเหล่านั้นมาแล้วดันั้นจึงทรงสแสดงอย่างเปิดเผยในท้ำกลางบริษัทว่าพระองค์เป็นแต่เพียงผู้บอกให้เท่านั้นเป็นผู้ชี้ทางให้เท่านั้นแต่ว่าการประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลตามที่ตัวมุ่งหมายเป็นเรื่องที่คนทั้งหลาย จะต้องใช้ความเพียนพยายามปฏิบัติด้วยตนเองในพระพุทธศาสนาไม่มีการลนลบรนดาลัดไม่มีอำนาจอุปถัมภ์ข้าจุนจากเพื้องบนแต่เป็นเรื่องของบุคคลผู้มีความสำนึกในด้านเหตุผลหลักฐานต่างๆเมื่อต้องการผลอันใดที่ตนพอใจยินดีก็ลงมือประพฤติปฏิบัติไป เพื่อให้สามารถสัมผัสผลเหล่านั้นตามสมควรแก่การปฏริบัติของตนซึ่งแน่นอนเหลือเกินว่าเมื่อบุคคลดำเนินไปตามหลักของร e ม a ก k ในองค์ประกาบแม้แต่เพียงข้อเดียวหรือส่วนเดียวของแต่ละข้อผลคือความสะอาดความประณีตก็จะเกิดขึ้นแก่อาการทางกายทางวจจาจาและแม้แก่จิตใจของตน ยกตัวอย่างบุคคลรักษาคำสัตย์อย่างเดียวซึ่งว่าที่จริงไม่เข้าถึงองค์ของสมาวาจาอย่างเต็มที่โดยทั้ไปต่การรักษาคำสัตย์เพียงอย่างเดียวไปช่วยให้บุคคลเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของบุคคลอื่นได้รับความเคารพนับถือยกย่องจากบุคคลทั้งหลายและเมื่อทำการละกริยาตายไป มันยังแสดงว่าด้วยอำนาจพระจีสุจริตนี้เองจะทำให้บุคคลผู้นั้นหลังจากตายไปแล้วบังเกิดในสุขติดังนั้นการประพฤติปฏิบัติตามทางสายกลางในทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามอย่าให้หย่อนไปและอย่าให้เกินไปแม้แต่การนั่งบำเพ็ญสมถกรรมฐาน ด้วยการเจริญอาณาปานาสติอย่างที่กำลังประพฤติปฏิบัติกันอยู่ก็ถนนองเดียวกันที่จริงในหลักการประพฤติปฏิบัตินั้นได้ทรงชี้แจงเอาไว้ให้บุคคลสามารถปรับเปลี่ยนอิเดียบทจากนั่งเป็นเดินจากเดินเป็นนั่งจากนั่งเป็นนอนปรับเปลี่ยนเป็นเดินได้เพราะการทำใจให้สงบ ป, ประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่อิเดียบท แต่อยู่ที่สติและเลึกอยู่กับอารมณ์ไม่พลาดจากอารมณ์นอนก็นอนอย่างมีสติยืนก็ยืนอย่างมีสติเดินก็เดินอย่างมีสตินั่งก็นั่งอย่างมีสติอยู่กับอารมณ์ที่ใจประการดไปเมื่อบุคคลดำเนินไปโดยในยะนี้ความสงบความสะอาดก็จะบงังเกิดขึ้นภายในใจิตใจ แต่ในาํานองตรงกันข้ามถ้าหากว่าการประพฤติจ่อหย่อนไปในทางใดทางหนึ่งไม่ทําอะไรให้จริงๆจังๆผลเสียก็เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าการงานทุกอย่างนั้นถ้าหากว่าบุคคลประกอบเหตุน้อยแล้วผลก็จะน้อย การประพฤติปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนายิ่งมีปัญหาที่จะต้องเร่งรัดกระทำให้เกิดเป็นผลขึ้นมาที่ทรงใช้คำว่าเร็วๆด่วนๆโดยได้นเน้นให้บุคคลสนักว่ากาลขณะแต่ละการแต่ละขณะที่ผ่านมาถึงข้าวนั้นเป็นของมีค่ายิ่ง บุคคลไม่ควรปล่อยขณะให้ผ่านพ้นไปก็ใครก็ตามที่ปล่อยให้ขณะผ่านพ้นไปจะต้องเศร้าโศกเสียใจในการประดังความเพียรพยายามละความชั่วประพฤติความดีสร้างสาระแห่งชีวิตให้เกิดขึ้นแต่ละขณะที่มาถึงเข้าทรงเน้นเห็นว่า บุคคลจะต้องรีบเร่งกระทำเสียในวันนี้ไม่ควรผัดวันประกันพรุ่งอ้างร้อนอ้างหนาวอ้างเช้าอ้างสายอ้างบ่ายอ้างเย็นอ้างหิวอ้างกระหายไม่ควรทำอย่างนั้นและได้เน้นให้ไปจากว่าถ้าจะทำการงานให้ทำการงานนั้นจริงๆให้บากบานันพยายามในการงานนั้นให้บาก เพราะการงานอะไรก็ตามถ้าย่อหย่อนทละรวมแทนที่จะเกิดเป็นผลประโยชน์ขึ้นมาแต่จะก่อให้เกิดโทษ ด, ดุจเจอทุลีที่เริ่มหมักผ ม, มอยู่ภายในบ้านเรือนสถานที่ต่างๆ ต, ตอนเริ่มต้นก็จะไม่มากมายอะไรแต่ถ้าปล่อยประละทิ้งไว้โอกาสหนึ่งทุลีละอองเหล่านั้นก็จะเต็มในสถานที่นั้น แต่การปฏิบัติที่ย่อหย่อนไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามจึงเป็นเหมือนกับการจับสิ่งที่มีคมเช่นเราจับยา้าคมบางจับยา้าคาต้องการจะถอนแต่จับตังนบวมพอดึงออกมานั้นนอกจากจับไม่ได้กอยญ้าคาแล้วยังจะถูกยญ้าคาบาดอีกโดยซ้ำไปการปฏิบัติธรรมะในพระพุทธศาสนาก็มีลักษณะอย่างนั้น ดังนั้นการกระทําที่ย่อหย่อนไม่ว่าเรื่องอะไรจะเรียนหนังสือจะฟังธรรมะจะประกอบภารกิจการงานบุคคลไม่อาจหวังผลตามที่ตนต้องการได้เพราะเหตุมีประมาณน้อยผลจะต้องออกมาเพียงเล็กน้อยเช่นเดียวกันในทํานองตรงกันข้าม ถ้าหากว่าเคร่งครัดเอาจริงเอาจังจนเกินไปใจก็จะสงบไม่ได้ในสมัยพุทธกาลนั้นมีพระเถระรูปหนึ่งชื่อโสนโกลิวิสาท่านขยันบเนนาเพ็ญเพียรนั่งกรรมฐานง่วงนอนเดินจงกรมเดินจงกรมแล้วนั่งนั่งแล้วก็เดินจงกรมเดินจงกรมกันจนเท้าแตกหมด เลือดโชคพื้นที่เหล่านั้นและในที่สุดท่านต้องครานไปพยายามที่จะเอาให้บรรลุมรรคผลให้ได้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จมาชี้แจงให้ท่านเข้าใจโดยให้ย้อนนึกถึงสายปินดังที่กล่าวแล้วในตอนตอน้นเมื่อท่านนึกได้ท่านน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติได้ ราคาประคองความเพียรอยู่ในจุดกลางและในที่สุดท่านก็ได้บรรลุมากกวบางทีการประพฤติปฏิบัติของคนเรานั้นยังไม่ได้จังหวะซึ่งผู้ศึกษาจะสังเกตเห็นได้ว่าแม้ในชีวิตของเราเีงถ้ายังไม่ได้จังหวะคือไม่อยู่ในจุดที่พอดี ผลที่บุคคลต้องการจะไม่บังเกิดขึ้นตัวอย่างเช่นจะสนเข็มคือใส่ได้เข้าไปในรูเข็มมันอยู่ที่จังหวะถ้าหากว่าเสียจังหวะก็ทําไม่ได้สูงไปต่ำไปข้างไปแต่ละอย่างทําไม่ได้หมดการปฏิบัติธรรมะก็มีลักษณะอย่างนั้นการกระทาดีของบุคคลบางคนบางเรื่อง จึงไม่ถูกดีไม่ถึงดีแล้วก็เกินดีแต่ในขณะเดียวกันบุคคลก็ต้องการผลคือความดีนันมีลักษณะที่ขัดแย้งกันอยู่เพราะอะไรเพราะเหตุกับผลจะไม่ขัดแย้งกันการปฏิบัติที่ตึงเคร่งครัดมากนัก น, นั้นจึงไม่ได้มีผลอร่อยแก่ใครๆ มันจะเป็นการกระทาในชั้นใดก็ได้แต่แน่นอนความเพียรพยายามนั้นเนื่องจากปัจจัยต่างๆของคนเราไม่เหมือนกันความเพียรที่ความเพียรพยายามจึงไม่จำเป็นจะต้องใช้ในระดับเดียวกันอย่างเช่นส่งแสดงของประเภทของบุคคลเอาไว้ว่าบุคคลบางคนปฏิบัติสะดวกรู้ได้ช้าบางคนปฏิบัติสะดวกรู้ได้เร็ว บางคนปฏิบัติลำบากด้วยรู้ได้ช้าด้วยบางคนปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เดี๋ยวประเด็นสำคัญจึงอยู่ที่กลดำเนินไปตามเส้นทางอริยมรรคมีองค์แปดประการซึ่งช่วยให้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้รับเฉลิมพรนามว่าสุกตูคือเสด็จไปดีแล้วเมื่อทำได้อย่างนี้ ผลก็จะเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้นั้นตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติต่อแต่นี้ไปก็ให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป